นี่เอ อ, เ อ, อเปนนะไปนึกไปนึกไปนึกนี่นี่ข้องหเออขีางังไปเปก่คนมีคนแป <c oughs> ให้ฟังไหมละฟังแท้ เพี้ยแพงไมอยากอเาเจ้านี้ถวายนึ่งคนผมจำนี่งคนเออแไม่ชอบแม่ดําว่าไหชอบชอบบอกนี่ไหวกันปกติคนไปไทยดูเยค่ะคนฮูเยค่ะหลวงปู่อันจันี้อ็นคือตัวจาก จากไอ้ลุงปูค่ะสำหรับบูซาสแมนเดอร์กิฟต์ฟอร์มยูแคนี้แคนเตคโฮมอ็ูพระอยู่เลยรูกจกพระอยู่เลยเราอยู่บ้านลูกไก่ปูเขาบาทเป็นใช้บาทก็ว่าพระเราจะบ่มน้ำวันี้คนว่าน้ำเอาจจากว่าพระคือหังบ่ ก็นาจึงจากกนนะคมือพาคนเขาไปเมืองไทยบ่อยเหมือนกันไปเมืองต่าททั้งนี้มันกว้างบ้านเยอะอยู่เราพบบาไม่ดีแล้ะเขาไม่อยากใส่บาทบ้านหลายแต่บ่ยงมีคนหลายถ้าไปไปแล้วก็ไม่สบายใจไปตามหน้าที่ วิญญาบาตแต่ก็บางคนก็มาดูวัดจะบอกว่เาเห็นพระวิญญาบาตรแล้วก็เห็นวัดเห็นอะไรก็มาศึกษาอยู่ <c oughs> แต่ศึกษาแล้วก็ไม่ตออ่อเนื่องนี่จะจมาถามไม่ปลูกให้เรียนครูพระเจ้าสอนไม่ให้ใเรียนเยอะให้เรียนผมขนเล็บฟันหนังนะท่านองค์เรียนพระกรรมาฐานเจา้าาโรมานาคาัดันตาสาโจ แต่โจรันตานาคาโรมาเกซ่าเอาผมเอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังไปพิจารณาให้เห็นเป็นตามความเริงความเริงผมขนเล็บฟันหนังมันสกปรกแต่ทางโลกผมขนเล็บฟันหนังมันสะอาดมันสวยมันงามไม่สวยไม่งามก็ดัดก็แปางเดี๋ยวก็ดัดผมเดี๋ยวก็แต่งผมแล้วก็ย้อมผมเล็บเหมือนกันเดี๋ยวก็ตัดออกหรือก็ย้อมใหม่ไม่รู้เขาอะไรมา เด็บผีมาตอกตอเด็บเมื่อเสมอไม่กลัวติปันกเหมือนกันนั่นแหละยิ่งออกคนยักษ์กินนี่อรยเอาไปต่เขี่ยวกินพระยักษ์กินนี่ยกโคโนกินนี่เกี่ยกินผู้ชายยักษ์โโนเกี่ยกินผู้หญิงหัวออกเป็นะยานแหงเลยทุ่มเมื่อตาเมื่อกันฟื้วฟีวีให้ก็ตาบึง น่าง่ามติแล้วก็เอาขนอย่างโขขนตาคนตายมาจำใช่ไหม่าจักแล้วเป็นว่าแล้วร้านขายขนตากะติว่าบอกไปเขาก็ตีบอกไปเห็นดตหลวงปู่เทศแล้วเขาเห็นเขากระปุกงทเขาไปหลายคือเกขานะมัก็ฟังคว่ำบุไปเจ้าแล้วคนนี่งฟังควบุญเจ้ามันก็สบายแล้วพรี่เดือดร้อนบ่มีบุญไหว้บ่ชคบกองบก <c oughs> หอกว่าล่วงเพราะปีนป้อนตั้งแต่ประเทศเท่าเมืองไทยเมืองพุทเมืองไทยเมืองพุทเต้นกันมารถทนกันตายขากันตายขาพอ่อขาแม่ขาพีขา n อ n ยาบ่าปัจจันเขาเป็นล่านล่นว่าเราเป็นล้านทุ่มือเขาเป็นตันหรอกเขาลงไปูผ <c oughs> ู้ใหญ่ผู้ตัวมาขายเก็กม <c oughs> าใส่ไปส้มกันตายปัจจัน ประเทศไทยเขาว่ารถอะไรซื้อรถใหลูกเศร้าลูกเศร้ารถอเตอรถงมอเตอร์ไซค์โอ้ยเจ้าซือรถมอเตอร์ตายไว้ไปให้ลูกแต่นอกเหรอวะเห็นว่าอะ <uk> ยังไปถึงไหนจับเป็นแถวพวกเด็กแว่นเด็กเวอร์ น, นี่ยังวันเราเียกแข่งกันสนันวันไรช น, นั้นะจับตท่าไรก็ไม่หมดเดี๋ยวนี้เขาจับถึงพ่อถึงแม่ถือไม่ หรือว่าไม่สั่งสอนลูกหลานเอาลงไปเ <c oughs> โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติทําจึงดูโรคนี่ยโลกนี่คือละครนะถ้าอยู่ทางโลกเขาไม่เห็นว่าโลกนี่คือละครมิตรสนุกละครเป็นเรื่องสนุกแต่ผู้เจ้าสอนให้พระสิงสงให้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโลกนี่มันเบื่อหน่ายเบื่อเจ้าแก่เก็บตายนั่นะ ใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายก็ไม่ดูจะ <c oughs> ให้ดูใจมาฝึกใจนะพระสงฆ์นี่ท่านอยู่มาสำหรับฝึกใจอย่างเดียวให้อาหารใจเลี้ยงใจทรมานใจใจเออป่าเ ป, ปด้วยกิเลสทรมานทำหมใจมันเออป่าเปื้วยกิเลสกิเลสคืออะไรรักโลกน่นะปาไม่ให้มันรักปาไม่ให้มันโลก มันยุ่งทุกวันเนี่ยเพราะความโลภไม่ใช่หรือได้เท่าไหรไม่พอได้มากเราก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้ไล่หนีมันเงินเยอะเกินไปหาตีมาไม่ได้ไม่ใช่ไล่เฉพาะยมนะพระก็ไล่ออกหนีนะไม่ไล่มันก็ไปไปเองแหละเพราะทําผิดอ่าตามจับไม่ได้เยอะแ ย, ะ, ยะกันอยู่นั่นนั่นอะก็เพราะอะไรหลวงพระสอนมาให้ทําบุญ นะมิตรต่อนี่ยทำทานอของไม่พระยุ่งก็ว่าทำบุญนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พยายาม <c oughs> ตัวแกโยมทานอาหารก็สอนบ้างคนต่างชาติี่ไม่รู้ว่าพระพูดอะไร <c oughs> ก่อนมิตราบาดพระปนังติวานก็วก็ <c oughs> จมสมือแท้สิวาภาษานี้ไว้เรา <c oughs> บนก็จะว่าอะไรก็ไม่รู้นะ เตนเขาที่เรียนหน่อยเอาจุดสำคัญไม่ได้พูดมากหรอกคำสอนของขพระเจ้าให้ขเขารู้ความหมายของการทําำเป็นพระพระท่านทําอะไรหน้าที่ของพระทําอะไรไปอยู่อ็นโดใหม่ก็ว่าพระคือหยัางพระเพื่ออยัางแต่เน่บัตรคนเหลือก็ตอบเขาถามว่าจะวางไดอนีรเพื่ออย่างแบะเพื่อสักฟอกจิตใจให้ใสสะอาดเอาคําของพระเจ้ามา ไมไปตอบยากทำไมมาจากไม่เครื่องซักฟอกจิตใจก็คือสมาธิ <c oughs> มันง่ายมัอขนขาดกันทำสมาธิมันก็อยู่ในความจุ่งหุ่นรายอ่ะคนเราชอบจุ่งจุ่งไอ้พระยามเน่นหนักภาคปฏิบัติไม่ได้ซื้อหรอกอาหารใจไม่ได้ซื้อ ดลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหาที่ไหนได้พุทธเจ้าหาศีลหาธรรมทุกข์ยากลำบากตัดตรรมมาหกปีไม่ใช่ปีหนึ่งปีเดียวนะเพ่าจะได้ทำคําสั่งสอนมาสอนสัตว์โลกสอนคนเข้าใจไหมถ้าเราเป็นคนทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหรอถ้างั้นก็ไม่เชื่อพุทธเจ้าเราก็เป็นอย่างอื่นก็ว่าได้ละไม่งั้นไม่ถึงใจถ้าว่าเป็นนนทนเป็นเนร ย้ำเล่าย้ำแล้วย้ำแล้ ว, ม, ลวมันไม่ถึงใจก็บอกว่าตัศน์สิละอะไรบ้างสิม น, นันพระกินในหนังเขา่าเอาตัตีแปลไปเองละกินยนังอะไรแต่เจอแล้วยืนหนังเข่าว่าเสียพระคุณเจ้าปัญหามาให้แทบลมแทบตายหาพระให้สอนคนให้ปฏิบัติตามแนวทางของพระคเจ้าเพื่อให้มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายคําของพระคุณเจ้า โรงพยาบาลที่ไหนสู้โรงพยาบาลของพระเจ้าไม่ได้หรอกโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้ารักษาได้แล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเกิดแจกเจ็บตายมาตัา้งไรหลังไหลไปไปดูหน้าตลอดทางเวทตับโรงพยาบาลเข้าคิวกันโอ้ยขอนเทนด์ไป 1, 3, 4, ต, ตั้งตีสามตีสี่ก็ไม่ยังไม่ได้ตรวจง่ายๆหรอเห็นอยู่ตั้งหน้าตลอดทางเวทหลังไหลไป อะไรกันนิดน่อยไปหาหมออะไรไปนดิดหน่อยถ้าไม่หายก็ไปฟ้องหมออีกนีน่แหละเพราะอะไรเพราะไม่เอาคําสอนของผู้เจ้าม า, าพิจารณาปฏิบัติตามคําสอนของผู้เจ้าหาทุกอย่างลำบากตัดตามบ้านมาได้เช่าเข้าไปซื้อเห็นไหมปฏิบัติให้จิตใจของเราหนีจากเกิดแก่เก็บตายหาที่ไหนได้แล้วเอาคิดดูนะหาที่ไหนได้ หากไม่อยู่ท่ามกลางแห่งมหาสมบัติคำสอนของพระเจ้ายัางรมสมบูรณ์อยู่ ข, ขาดทุนต่อไปก็หมดไปหมดไปนะหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าสพระสมณะโคโดมแค่ 5,000 ปีหนึ่งหมดไปครึ่งหนึ่งเล้วเป็นอย่างนี้แหะวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวา ย, ววายมีแต่โรคโกขยัจเจริญธรรมะก็เสื่อม ถึงในเตือนให้เข้าใจถิ่นทาให้กลับมาโลกาพินาศโลกมันวุ่นวายมันเดือดร้อนฆ่ากันยิงกันประเทศมหาอำนาจอะไรก็ยิงกันยังป่นกันยังไฟไหม้น้ําท่วมแรงแรงอะไรอะไรเกิดกันได้หมดทุกหนทุกแห่งเมื่อเวลาเราย้อนไปดูจุดนี้เราความไม่แน่นอนเราก็มาเล่งปฏิบัติตามคําสอนของคุณเจ้ามันไม่นานแพ้อเดียวก็ไปแล้ว พอแม่ปู่เจ้าตาใจไปหมดแล้วเอาอะไรไปด้วยล้ำรวยสวยงามมั่งมีสีสุกเอาไปด้วยได้ไหมไม่เห็นขออกไปสกลผมเส้นหนึ่งเอาไปด้วยไม่ได้สแสวงหาวันยังขึข้นยัง่งหามาแต่งผมแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังเผาทิ้งแล้วนั่นใจตายไม่เป็นใจมีอะไรใจมีบุญบุญพาใจไปใจมีบาบาพาใจไปมันมีสองอย่างนะ เรีบเรง น, นะตอนนี้เรีบเร่งกัเสียทีแล้วขาดทุนแล้วทุกที่สุดคือหาที่เกิดน่นเป็นคนไม่ได้หรอที่เี๋ยวไปเป็นศาสตร์ศาสตร์ราศีเยอะแยะไปหมดนะมเดี๋ยวไปเกิดกับลูกกับหลานเขาไม่ให้เกิดสมัยใหม่ทุกวันเขาเห็นนะลูกหลานให้โลกคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวสองคนยิงหนึ่งชายหนึ่งผัวแล้วปิดไว้ถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะไปเกิดด้วยไม่ได้เกิดแล้วเขาไม่ให้เกิดแล้ว แลก็ไปตน่าก็ไปกุนไปเกิดเป็นคนทุกคนยากคนขอทา น, น, นพี่คนไปการนางเฝ้ากองขยะอยู่นั่นม <c oughs> ันเป็นได้หมดแหละแต่ทุกวันนี้ท่าท่ายิ่งคุยได้เพราะว่ามีเรดกอันดั้งเดิมมาด้วยบุญที่นี่ถ้าอยู่ด้วยบุญนั่นเขาไม่ขาดทุนมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาดทุนแล้วเห็นไหมคุกที่อยู่ในโลกไม่ได้อยู่ด้วยบาป แต่วันศีลพระโยมไม่ไปรักษาศีลเหรอผมไปไม่ได้ผมยุ่งผมมันยุ่งแถมผมออกนตัวอามาตวไลจิตจักเดี๋ยวให้พอดผมก็มียน้ำบาล ผมว่าเมียน้ำคุเอาเอาไว้ีนได้ค่ะภาัวเมืองไทยแต่นอกค่ะได้ค่ะรื่อมัท่างนั่นดเไปจับ่ใส่กระเป๋าเื่นชีคันถือเลยเพื่อนมาบกโกบเก๋ถที่บัถือของมตลาดเเขาจับในถงพลาสติกให้เอาไปมากก็ว้านท่วมบ้านขยะบเก็บบกัฝนสะพลาสติกไปตันท่อ้ํามันก็ะถ่อมหนแ่แน่ตัว ว่าปัจัเพอน้าเองเกี่ยว้กอจะสร้างการุปปัฏฐาจะทำมโนปจิตวานิโรจนติเทสังหุปัสสาวสุขโขอาเโลกาเวนิโมตุซาปจันตาปวัจิตตเว โกอภาวาอาภิวา